วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้หยุดพักการทำภารกิจทางราบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนให้มา เข้าวัดเพื่อมาพัฒนาสร้างความสุขทางจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการพัฒนาจิตใจจึงเป็นการพัฒนาที่เจริญ ที่ยั่งยืนที่ถาวรแต่การพัฒนาทางร่างกายนี่เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเพราะร่างกายจะต้องแก่ท้องเจ็บและตายพอร่างกายแก่เจ็บตายสิ่งที่ได้รับการพัฒนาคือราบยศสารเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นของคนอื่นไปลาบยศเสรเสริญที่เราได้มาความสุขที่เราได้มาพอตายไปลาบยศเสรเสริญก็เป็นของคนอื่นไปความสุขก็เป็นของคนอื่นไป เราก็ไปแบบไม่มีอะไรติดติดเนื้อติดตัวไปเพราะเราไม่ได้พัฒนาจิตใจจิตใจเป็นผู้ที่ต้องไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้สร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจ เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีความสุขความเจริญติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานที่จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของญาติพี่น้องแต่ถ้าเรามีเวลาเช่นวันพระ เรามาเข้าวัดกันมาพัฒนาจิตใจกันมาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจจิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับมีความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุด คือขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอาหารหันตสาวกเป็นขั้นที่เราจะได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจที่เรียกว่าบรมมสุขความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปถึงแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไป แต่ความสุขความเจริญของจิตใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้เป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างไม่มีองค์ประกอบเหมือนกับร่างกายที่มีรูปมีร่างมีส่วนประกอบคือดินน้ำลมไฟที่ไม่อยู่ ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดดินน้ำลมไฟที่เข้ามารวมตัวให้เกิดเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาจะพยายามแยกตัวออกจากกันเสมอถ้าการแยกตัวออกจากกันสำเร็จร่างกายก็ตายถ้าการแยกของดินน้ำลมไฟออกจากกาันยังไม่สำเร็จ ร่างกายก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปความตายก็คือการแยกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เองไม่มีอะไรตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟเช่นอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็เรียกว่าธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เรียกว่าธาตุน้ำอาหาร เช่นข้าวผักต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นธาตุดินธาตุไฟก็คือความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุลมธาตุน้ําและธาตุดินนี่เองจึงทําให้เกิดมีธาตุไฟขึ้นมาร่างกายจึงเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ คือดินน้ำลมไฟที่จะพยายามที่จะกลับคืนสู่ที่ของเขาที่เดิมของเขาธาตุน้ำก็จะพยายามแยกตัวออกจากธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเพื่อกลับไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุลมก็จะแยกตัวออกไปเพื่อจะกลับไปอยู่กับธาตุลมธาตุน้ำก็จะแยกตัวออกไป เพื่อจะกลับไปอยู่กับาธาตุน้ำาธาตุดินก็เช่นเดียวกันพอการแยกตัวของาธาตุทั้งสีปรากฏผลสสำเร็จร่างกายก็หมดสภาพไปเช่นเวลาคนตายร่างกายนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆาธาตุลมก็จะระเหอยออกจากทางร่างกายาธาตุไฟก็จะ ละลายหายออกไปเหลือปล่อยให้ร่างกายนียน่เย็นธาตุน้ำก็จะไหลออกมาจนในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นกระดูกหนังที่แห้งกรอบอาวาัยาวะต่างๆที่แห้งกรอบถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือ เรื่องของร่างกายที่ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือธาตุรู้หรือจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ของจิตใจ จิตใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายของร่างกายจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้จิตใจของญาติโยมก็สั่งให้ร่างกายมาที่วัดมาที่นี่มาเพื่อมาทาบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่มีจิตใจสั่ง ร่างกายนี้จะไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองร่างกายนี้ต้องมีผู้สั่งผู้ใช้ผู้สั่งผู้ใช้นั้นก็คือใจร่างกายนี้จะทําอะไรได้ต้องมีธาตรู้คือใจเป็นผู้สั่งชีวิตของพวกเราจึงมีส่วนประกอบอยู่สองส่วน ส่วนที่เป็นร่างกายที่ทํามาจากดินน้หลมไฟและส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นธาตรู้เมื่อธาตรู้มารวมกับธาตุดินน้หลมไฟก็ปรากฏเป็นบุคคลขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วความหลง ก็จะหลอกให้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นของผู้รู้ของธาตุรู้พอไปคิดว่าเป็นของธาตุรู้เป็นของผู้รู้ก็เกิดความหวงเกิดความยึดติดในธาตุทั้งสี่คือในร่างกาย แล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากให้ธาตุทั้งสีนี้อยู่ไปนานๆให้ร่างกายนี้รวมตัวกันไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้แตกสลายไปไม่อยากให้ธาตุทั้งสีที่รวมตัวกันมาเป็นร่างกายนี้แยกตัวออกจากกันพอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่า ไม่มีใครที่จะมายับยั้งการแยกตัวของธาตุทั้งสี่ได้ธาตุทั้งสี่นี้จะพยายามแยกตัวออกจากกันตลอดเวลาเวลาใดที่การแยกตัวนี้มีกำลังมากกว่าการรวมตัวร่างกายก็ถึงแก่ความเสื่อมถึงแก่ความตายเวลาใดที่การรวมตัวของธาตุทั้งสี่ ยังมีกำลังมากกว่าการแยกตัวร่างกายนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปได้เช่นตราบใดที่ยังมีการดื่มน้ำได้มีการหายใจได้มีการรับประทานอาหารได้ตราบนั้นร่างกายก็ยังจะอยู่ต่อไปได้แต่พอเวลาใดที่ร่างกายนี้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ไม่สามารถหายใจได้ร่างกายก็จะตายไปเพราะการรวมตัวนี้มีกำลังน้อยกว่าการแยกแยกตัวออกจากกันของธาตุทั้งสี่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะทำการเข้าใจกันให้รู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี้ ความจริงเป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันด้วยอํานาจของใจของเราผู้สั่งให้มันมารวมกันใจเป็นผู้สั่งให้หายใจใจเป็นผู้สั่งให้เอาน้ำมาดื่มมารับประทานใจเป็นผู้สั่งให้เอาอาหารเข้ามาในร่างกายตราบใดที่ใจสามารถสั่งให้ การรวมตัวของธาตุทั้งสีน่นี้รวมตัวกันได้ตราบนั้นร่างกายก็ยังจะมีชีวิตอยู่แต่พอใจไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายนำธาตุทั้งสี่เข้ามารวมตัวกันได้เวลานั้นร่างกายก็จะหยุดทำงานการหายใจก็จะหยุดการดื่มน้ำก็จะหยุดการรับประทานอาหารก็จะหยุด พอไม่มีการดื่มนะ้าไม่มีการหายใจไม่มีการรับประทานอาหารร่างกายก็มีแต่จะแตกสลายถ้าทั้งสี่ก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกันอย่างถาวรและจะไม่มีการรวมตัวกันอีกต่อไปส่วนถ้ารู้คือใจผู้ที่เป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ ก็เดินทางต่อไปไปตามอำนาจของโมหะความหลงไปตามอำนาจของตัณหาความอยากก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ไปลรับผลของบุญของบาปที่ได้ทำเอาไว้ต่อไปเช่นถ้าเวลาตายไป ผลบาปมีกำลังมากกว่าผลบุญผลบาปก็จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกจนกว่าผลบาปที่ได้ทำเอาไว้นั้นหมดกำลังที่จะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ได้ธาตุสี่ก้อนใหม่ ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในท้องของมารดาเวลาที่มีการก่อร่างสร้างตัวของธาตุสี่ในท้องของมารดาแล้วเวบมีดวงจิตดวงใจที่กําลังต้องการร่างกายอันใหม่มาครอบคลองการปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตของ ทารรกที่มีอยู่ในร่างกายขึ้นมาตามลำดับจนไม่สามารถอยู่ในคันได้อีกต่อไปก็จะคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็จะมีการหายใจเอาธาตุลมเข้าไปมีการดื่มน้ำนมเอาธาตุน้ำกับธาตุดินเข้าไปพอมีการเติมธาตุเข้าไปร่างกายก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ แล้วระหว่างที่จเจริญตบโตถ้ารู้คือใจก็จะสั่งให้ร่างกายคือธาตุดินน้ำนมไฟนี้ไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของตนถ้าทำบุญก็จะสะสมบุญไว้ในใจถ้าทำบาปก็จะสะสมบาปไว้ในใจพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญที่ได้สะสมไว้กับบาปที่ได้สะสมไว้ ก็จะมาฉุดลาดเอาดวงใจดวงจิตนี้ไปตามกําลังของบุญด้วยของบาปถ้าบาปมีกําลังน้อยกว่าบุญบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะพาจิตใจไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปท่องเที่ยวในโลกทริปจนกว่าบุญจะหมดกําลังไม่สามารถ ดึงจิตใจให้อยู่ในสวรรค์อยู่ในโลกทิพได้จิตใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมีความหลงมีความยึดติดในร่างกายยังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาร่างกายที่มีอยู่นี้ตายไปก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อแล้วก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บกับมาตายกับร่างกายอันใหม่อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเวลามีความแก่ความเจ็บความตายก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ทรมานใจไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะยังมีการเกิดอยู่จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความฉลาดผู้ที่สามารถมองเห็นต้นเหตุ พ้องการกับมาเกิดของจิตใจได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในร่างอยู่ในจิตใจความอยากที่จะพาให้จิตใจมาเกิดใหม่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตันหาความอยากให้ราบยศสละเสริญสุขอยากได้ราบยศสระเสริญสุขอยากได้ อยากให้ลาบยศเสรสุกนั้นมีแต่ความเจริญเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นนั่นเองและความอยากไม่ให้ลาบยศเสรสุขเสื่อมไปอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นนี่คือความอยากสามประเภทด้วยกันที่เป็นเหตุ ที่พาให้จิตใจนี้กลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะอยากจะใช้ร่างกายตอบสนองกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายการอยากจะมีราบยศสารสนสุขทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายการอยากไม่ให้ราบยศสารสนสุขเสื่อมไป ก็ทําให้เวลาที่เสื่อมไปก็จะกลับมาหาใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่นี่คือต้นเหตุที่ทําให้จิตใจต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วมีแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายทุกครั้งไปเพราะร่างกายทุกครั้งทุกลทุกร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้น แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอรันตาสาวกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรลันตาสาวกท่านไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นด้วยญาณที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการนั่งสมาธิเจริญปัญญา ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟและรู้ว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เลยหยุดความอยากอยู่เฉยๆปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขา เพราะไม่มีใครที่จะมายับยั้งมือนได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายแต่กลับทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาและทำให้จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพราะยังอยากให้มีร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆพอ ร, ร่างกายที่มีอยู่ไม่ยอมอยู่ร่างกายที่มีอยู่ แตกสลายไปใจที่ยังอยากมีร่างกายใหม่ก็จะไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้ามีสติมีปัญญารู้ว่าความอยากมีร่างกายนี้จะพาให้ไปเกิดใหม่ก็หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายรู้ว่าอยากแล้วทำให้เกิดความทุกข์ก็หยุดความอยากพอหยุดแล้ว ใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเวลาทีา่ตายไปก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปอนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ที่ทำให้พวกเราต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตาย ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแต่พอเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานาเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้หยุดกามตัานหาหยุดภวะตันหาหยุดวิภวะตันหาด้วยการปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เราทำทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันเพราะการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้จะเป็นการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนั่นเองพอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีอีกต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ต้นไม้ใบหญ้า เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาร่างกายนี้ก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราเราต้องการให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเลยต้องทุกข์เพราะว่า ความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราไม่ว่าเราจะไปอยากกับอะไรก็ตามมันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแม้แต่ร่างกายคนอื่นก็ทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะ หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อ ย, อยแล้วก็ให้เรารักษาศีลกันแล้วก็ให้เราภาวนากัน เช่นวันพระนี้ให้เรามาวัดกันมาทำบุญทำทานกันแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปซื้อของตามความอยากต่างๆหรือไปทำตามความอยากต่างๆให้เอามาทำบุญแทนเพราะจะทำให้ความอยากนั้นเบาบางลงไปความอยากจะซื้อของจะน้อยลงไปความอยากจะไปทำอะไรตามความอยากเช่นไปเที่ยวก็จะน้อยลงไป เพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มขึ้นมาทําให้เราไม่ต้องทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี้จะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลงไปแต่การไม่ทําตามความอยากนี้จะทําให้ความอยากนี้มีน้อยลงไปทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยาก เอาเงินไปทำอะไรตามความอยากเราไม่เอาไปทำเราเอามาทำบุญแทนใจของเราก็จะลดความอยากลงไปปริมาณความอยากที่มีอยู่ในใจน้อยลงไปเท่าไหรความทุกข์ความรุ่นวายใจก็จะน้อยลงไปตามลำดับความสงบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขความอิ่มความพอใจก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ตามกำลังของการทำทานของพวกเราถ้าเราทำทานได้มากเช่นผู้ที่ออกบวชนี้เขาสละเงินทองไปหมดเขาไม่ต้องการที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดนั่นเองเวลาเราเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้มันจะทำให้เราติด ทำให้เราอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่ได้ซื้อเราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเราเลิกซื้อของต่างๆตามความอยากเราก็จะไม่มีความอยากและเวลาเราไม่มีเงินทองจะซื้อของตามความอยากเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นผู้ที่มาบวชนี่เขาไม่เดือดร้อนกับเรื่องการใช้เงินทองซื้อสิ่งของต่างๆเพราะเขา เอาเงินทองมาทําบุญให้หมดการทําบุญหมดเอาเงินทองมาทําบุญหมดนี้แทนที่จะทําให้ใจเขาอยากกับทําให้ใจเขาไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากซื้อของด้วยเงินทองไม่อยากไปเที่ยวด้วยการใช้เงินทองเพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วทําให้ ความอยากที่จะใช้เงินทองนี้มันหมดไปผู้ที่มาบวชจะไม่ต้องใช้เงินทองกันเพราะว่ามีวิธีที่จะทำให้เขามีความสุขมากกว่าการใช้เงินทองก็คือการรักษาศีลเมื่อสามารถสละเงินทองไปได้หมดจะเห็นว่าการรักษาศีลนี่มันแสนจะง่ายได้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเลย การที่เรายัางรู้สึกว่ายากต่อการรักษาศีลก็เพราะว่าเราต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของตามความอยากต่างๆเวลาเราซื้อเราอยากมีเงินมีทองบางทีเราก็ต้องพูดปดบ้างบางทีเราก็ต้องโกงบ้างเพื่อที่ให้เราได้เงินทองมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ต้องการเงินทองแล้ว ก็ไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้เราจะต้องไปทําบาปทากรรมกันผู้ที่สละเงินทองไปไม่ใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากแล้วนี่จะรักษาศีลได้อย่างง่ายได้รักษาศีลห้าก็ได้รักษาศีลแปดก็ได้เพราะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วก่อนที่ถือศีลแปดนี้เลิกเที่ยวเลิกใช้เงินทองแล้ว ไม่ต้องไปซื้ออาหารกินแบบไม่มีขอบมีเกตกินก็พอให้อยู่ได้ก็พอซึ่งกินวันละครั้งเดียวก็พอหรือถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เกินเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันก็เลิกกินแล้วการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูมาหอหสพไปร้องลําทำเพลงไปงานเลี้ยงต่างๆไปสถานบันเทิงต่างๆนี้ก็ไม่ต้องไป ก็ไม่ต้องเพราะไม่มีเงินทองไปอันนี้ก็จะทำให้ถือศีลแปดได้อย่างง่ายได้ถ้าถือศีลแปดได้ก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาภาวนามาเจริญสติสมาธิและปัญญาการเจริญสติเรียกว่าสมถภาวนาการเจริญสตินี้จะควบคุมใจไม่ให้คิดตรงแต่งไปเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดความอยากก็จะอยากไม่ได้เช่นถ้าเรานั่งเฉยๆไม่มีความคิดเราจะไม่เราจะไม่อยากได้อะไรแต่พอเราคิดถึงนั่นถึงนี่เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทาน คิดถึงคนนั่นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาอยากจะไปคุยกับเขาอยากจะไปเล่นกับเขาแต่ถ้าเราหยุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้ความอยากก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะความอยากไม่โผล่ขึ้นมาใจก็สงบมีความสุขมีความสุขมากกว่าการที่เราได้ไปทําตามความอยากเพราะความสุขที่เราได้จากการทําความอยากนี้เป็นความสุข เพียงแป๊บเดียวเหมือนควันไฟเวลาได้ดื่มเครื่องดื่มก็มีความสุขพอหยุดดื่มความสุขนั้นก็หายไปพอได้รับประทานก็มีความสุขพอเสร็จจากการรับประทานมันก็หายไปแล้วก็จะมีความอยากอันใหม่โผล่ขึ้นมาทําให้ความสุขที่ได้จากการดื่มการรับประทานนั้นหายไปเช่นอยากดื่มได้ดื่มแล้วก็อยากอยากฟังก็ต้องไปฟัง ได้ฟังแล้วก็อยากดูก็ไปดูมันก็จะมีเรื่องให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ความอยากมันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เราใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเวลามันอยากอะไรก็ใช้พุทธโธดับมันแข็งกับมันมันคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆ ถ้าพุโทโธชนะความอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปก็จะอยู่เป็นสุขอยู่แบบไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราอันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสติเพื่อที่จะทาให้ใจของเราสงบทาให้ใจของเรานิ่งทาให้ใจของเราเย็นสบาย นี่คือเรียกว่าความสงบหรือสมาธิถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้จิตรวมสักแต่วรู้ไม่ปรุงแต่งมีอุเบกขาไม่หิวไม่รักไม่ชั่งไม่กลัวไม่หลงไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นมีความพอใจที่จะอยู่เฉยๆมีความอิ่มพออยู่ในตัวของมันเองอันนี้เราก็เรียกว่าสมาธิ เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติบาลังสุขขังสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐพะผู้ใดถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็จะสามารถละความสุขต่างๆไปได้หมดเลย จะไม่แสวงหาลาภยศเสริญจะไม่แสวงหารูปเสียงเกลื่นลดมาบำลุงบำเลอจิตใจเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้จะขวนขวายแต่การเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดไม่คิดปรุงแต่งไปตามความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขแต่การควบคุมความคิดนี้ก็ ยังไม่สามารถทำให้มีความสุขได้อย่างถาวรเพราะว่าเวลาใดที่เผลอไม่ได้ควบคุมเวลาใดปล่อยให้จิตคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ความอยากคือตัณหาต่างๆหมดไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้คิดไปในทางที่จะทำให้ไม่อยากได้ อยากได้อะไรให้มองว่าสิ่งที่เราอยากได้จะต้องตายไปเช่นอยากได้แฟนแถ้าเราคิดว่าได้แฟนมาแล้วอยู่กับเราไม่กี่วันเขาก็จะตายไปหรือเขาจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปพอเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่อยากได้แฟนหรืออยากได้ลูกก็ให้คิดว่าเกิดได้ลูกแล้วลูกพิการเป็นยังไง ลูกเป็นพิการทางสมองพิการทางร่างกายหูหนวกตาบอดถ้าเราได้ลูกแบบนี้เราอยากจะได้หรือไม่ถ้าเราคิดไปในทางที่เสื่อมในทางที่ไม่ดีที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มันก็จะทำให้เราไม่อยากได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดไปในทางที่เสื่อมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต่อให้มันดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนมันก็ต้องมีวันเสื่อมมันมีวันหมด มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปของต่างๆที่เราซื้อมานี้ใหม่ๆก็ดีพอปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเก่าแล้วเริ่มไม่ดีตามมาแล้วเราก็อยากจะทิ้งมันถ้าเราเห็นมันก่อนที่เราจะไปซื้อมันเราก็ไม่ต้องเสียเงินพอเราไปเสียเงินเราไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีเสียเงินไปเปล่าๆทาไม นี่คือการใช้เงินโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ไม่ใช้ความคิดถึงอนาคตของสิ่งที่เราจะได้มาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปจะต้องมีวันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปของต่างๆเวลาซื้อใหม่ๆเช่นรถยนต์มันก็ดีแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเสียตรงนั้นเดี๋ยวเสียตรงนี้ ก็ต้องเอาเข้าอู่ไปซ่อมแทนที่จะเอาไปขับไปนู่นมานี่ก็ต้องมานั่งรอให้ช่างเขาซ่อมรถยนต์แล้วก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมนี่คือการคิดที่จะทำให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เทียงมันเป็นอนิจจงมันไม่เป็นของเราตลอดมันจะต้องมีวันที่จะจากเราไป หรือเราจะต้องจากมันไปเวลาที่เราต้องพัดพากจากของที่เรารักเราจะรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์เลยแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่มีอะไรจะต้องพัดพากจากกันเราก็จะไม่ทุกข์สิ่งที่เรามีอยู่เราก็ต้องพยายามตัดมันให้ได้ปล่อยมันให้ได้เช่นสิ่งที่เรายังมีอยู่ขณะ น, นี้ก็คือร่างกายของเรา ร่างกายของเราเราก็ต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายจากเราไปสักวันวันใดวันหนึ่งเร็วหรือชา้าไม่มีใครรู้ได้ความแก่นี้อาจจะรู้กันเพราะว่ามันเป็นไปตามวัยตามอายุแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี้มันมาได้ทุกวัยทุกอายุนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่ปล่อยมัน เวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายนี้เราจะทำใจไม่ได้เราจะทุกข์ใจเป็นอย่างมากเราจึงต้องพยายามคิดไปในทางที่จะทำให้เราปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้อย่างคิดอย่างที่เมื่อกี้สอนให้คิดคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตั ว, ตวเราร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมของเขาจะต้องกลับ ไปสู่ที่เดิมของเขากลับไปสู่ที่ตั้งของเขาน้ําก็จะกลับไปสู่น้ําดินก็จะกลับไปสู่ดินลมก็จะกลับไปสู่ลมไฟก็จะกลับไปสู่ไฟจะไม่อยู่รวมกันเป็นร่างกายนี้ไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งพลังกําลังที่จะรวมตัวธาตุสีให้อยู่รวมกันนี้มันสู้กําลังที่จะดึงจุดกระชากให้ธาตุทั้งสี่แยกออกจากกันได้ เวลานั้นก็จะเกิดความตายขึ้นมาแต่ไม่มีใครตายมันเป็นเพียงการแยกของธาตุทั้งสร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นธาตรู้เราเป็นธาตุที่คิดที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตรู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำนุ่นไฟเราก็เลยคิดว่าเราตายไปกับร่างกาย แต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายเป็นธาตุจีคือดินน้ำลมไฟที่จะต้องแยกออกจากกันไปคนละทิศคนละทางเช่นเวลาคนตายเวลาเขาเอาไปเผาเสร็จแล้วนี้จะเหลืออะไรก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินก็คือขี้เถ้าและเศษกระดูกที่เราเอาไปลอยอังคารกันไปลอยในทะเลกันกับส่งให้กลับคืนสู่ ธรรมชาติเพราะมันเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองตันหาความอยากต่างๆของเราแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้อีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกาย ร่างกายจะตายร่างกายจะเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายนี้แล้วเหมือนกับเวลาที่เราไม่ต้องใช้รถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนถ้ารถยนต์มันเสียเราก็ไม่เดือดร้อนเสียก็ปล่อยมันเสียไปรถยนต์มันหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่เดินทางไปไหนเราอยู่บ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เราต้องการอะไรมันก็มีอยู่ในบ้านของเราแล้ว เราไม่ต้องไปออกไปหาอะไรภายนอกบ้านเมื่อเราไม่ต้องออกไปหาอะไรภายนอกบ้านเราก็ไม่ต้องมีรถยนต์พาเราไปจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลากำจัดความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบความสุขของใจได้ทุกครั้งเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายนี้เป็นอะไรไป<ม>นี่คือเรื่องของปัญญาเรื่องของความคิดถ้าเราจะคิดให้คิดในทํานองนี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดไปอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะไม่เป็นของเราเมื่อถึงเวลาที่มันจะจากเราไป ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราจะได้สอนใจเราไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะสอนใจไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด มีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่เองดังนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัติกันมาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นก่อนถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่าง หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้พอเราหยุดใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรารู้ว่าการมีร่างกายอันใหม่ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเอง พราะเมื่อมีร่างกายใหม่แล้วก็จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นอันนี้คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองทรงสระละราชสมบัติสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเรียกว่าเป็นการทําทานแล้วก็ทรงออกบวชทรงรักษาศีลแล้วก็ทรงบําเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาท่านต้นก็ สมถะภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จเจริญวิปัสนาออกจากเวลาใจออกจากความสงบมาคิดปรุงแต่งก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางวิปัสนาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์ เวลาที่เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะจากอย่างสบายจากอย่างปรมังสุขขังคือบรมมสุขจากแบบพระพุทธเจ้าจากแบบพระอรหันตสาวกนพระพุทธเจ้าทํามาแล้วทําได้แล้วพระอรหันตสาวกผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติท่านก็ได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ผลมาแล้วพวกเราก็เป็นเหมือนกัน เหมือนกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระอานนทตสาวกเพราะว่าผลนี้มันเกิดจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาดังนั้นในวันพระนี้พวกเราจึงมาวัดกันเพื่อมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนากัน แล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เติมความรู้ที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เพิ่มให้ได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำทานอย่างไรเราจะต้องรักษาศีลอย่างไรต้องรักษาศีลกี่ข้อจะต้องภาวนาอย่างไรวิธีภาวนาทําใจให้สงบจะต้องทำอย่างไร วิธีที่จะเจริญวิปัสสนาจะต้องคิดอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆละตันหาความอยากต่างๆได้จึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยวันพระท่านจึงเรียกว่าวันธรรมะสวัสดิ์คือวันฟังธรรมเาวพุดที่แท้จริงนี้ควรจะมีวันฟังธรรมกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ด้วหนึ่งวันเพื่อที่เราจะได้เติมความรู้ เพื่อที่เราจะได้มาทบทวนความรู้ของเราว่าเรากำลังดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินหรือไม่ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่แทนที่จะทำทานกับโลภอยากได้เงินมากขึ้นแทนที่จะรักษาศีลกับไม่ยอมรักษาศีลแทนที่จะฝึกสติทำใจให้สงบ กับปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านด้วยความอยากต่างๆแทนจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรากลับไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเรานี่คือการเดินสวนทางของคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะว่านี่คือทางของกิเลสตัณหานั่นเองทางของโมหะอวิชชาคือความหลงที่มองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ก็เลยไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรากลับไปคิดว่ามันเป็นของเราไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ความสุขกับเราแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะจากเราไปเราถึงจะรู้ว่ามันให้ความทุกข์กับเราแต่พอถึงเวลานั้นมันก็สายเกินไปเราไม่มีกำลังที่จะสู้กับความหลงกับความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้เราจึงต้องมา สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิในขณะที่เรายังมีกําลังที่จะสร้างมันได้พอเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือต่อสู้กับมันได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราจะได้ใช้ปัญญาหยุดมันได้เวลาเกิดความหลงขึ้นมาเราก็จะใช้ปัญญาหยุดมันได้ตอนนี้เราจึงต้องเข้าวัดกรรมอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีวันพระเออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็มีวันหยุดหนึ่งวันหยุดการหาราบยุดสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนากันถ้าเราทําแล้วเราจะได้ผลพอเราได้ผลเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะทําให้มีให้มากขึ้นพอเราได้ผล จากการทําใจให้สงบแล้วเราจะอยากให้มันสงบมากขึ้นเราก็อาจจะมาวาดบ่อยขึ้นแทนที่จะมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วอาจจะมาอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งถ้าแทนที่เราจะไปทํามาหากินหาเงินหาทองเราก็หยุดเอาเวลามาหาความสุขทางใจดีกว่าเอาเวลามาทําใจให้สงบดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาและเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปนา น, าน ตราบใดที่เรารู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ตาบนั้นเราก็จะมีความสุขจากความสงบได้เสมอไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากเงินทองเพราะเงินทองนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดพอเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่เวลาเราตายไปนี่เราสามารถเอาสติที่ทำใจให้สงบไปกับเราได้เราสามารถทำใจให้สงบได้ แม้แต่ในขณะที่เราไม่มีร่างกายนี่คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จากการมาวัดมาพัฒนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนก็คือจิตใจดีกว่าไปพัฒนาลาบยศสรรเสริญไปพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นของชั่วคราวถึงแม้จะได้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่พอเวลาร่างกายนี้ตายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันจะต้องหมดไปเราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาติดไปได้ก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาและผลที่ได้จากการการทำทานรักษาศีลภาวนาก็คือความสงบคือความสุขจึงขอให้พวกเราพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะมีวันพระสักหนึ่งวันเป็นวันที่เราควรหยุดการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราทำที่ที่บ้านได้ก็ทำทำอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ทำทานเราทำกับคนที่บ้านก็ได้ให้กับพ่อให้กับแม่ก็ได้ให้กับพี่ให้กับน้องให้กับใครก็ได้ หรจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับวัดนั้นวัดนี้ก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้การทําบุญสมัยนี้อยู่ที่บ้านได้ฟังเทศฟังธรรมก็ฟังได้ที่บ้านก็มีหนังสือธรร ม, มะมีซีดีธรร ม, ม ะ, ะมีสื่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถฟังเทศฟังธรรมได้เช่นตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กอยู่ท่านที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับได้มาที่นี่เลย แล้วก็อยู่ที่บ้านก็สามารถภาวนาได้จเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบได้จเจริญปัญญาคิดไปในทางอานิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าที่บ้านเราอยู่นั้นสงบไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีคนมามารบกวนการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติที่บ้านได้เหตุที่เรามาวัดกันก็เพราะว่าบางทีที่บ้านมันวุ่นวายคนมันเยอะเรื่องมันเยอะ มันลบกวนการปฏิบัติของเราเราเลยต้องมาวัดเพราะวัดนี้จะเป็นสถานที่เงียบสงบวัดนี้จะคอยกาจัดสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่มาก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มาลบกวนคนที่จะมาแสวงหาความสงบคนที่จะมาปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาภาวนานี่คือเรื่องของวันพระที่เป็นวันนี้ที่พวกท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกัน ขอให้พยายามบำเพ็ญกันไปเรื่อยๆแล้วความสุขความเจริญของจิตใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันตาสาวบุกอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสภิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวทานติ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 ดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็มีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามมาคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งเคยอธิษฐานจิตแล้วเป็นดังที่อธิษฐานไว้การอธิษฐานผิดแนวทางการปฏิบัติหรือไม่คะ การอธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับผลที่เราได้รับการอธิษฐานนี้เป็นการตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาถึงจะเรียกว่าแปลว่าอธิษฐานทางพระพุทธศาสนาแต่ทางโลกไปแปลคำว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอขอก็เลยคิดว่าศักดิ์สิทธ ขออะไรก็ได้ก็เลยไม่ต้องทำอะไรมัวแต่ขอไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจเพราะว่าของต่างๆที่เราต้องการนั้นมันเกิดจากการกระทำของเราเป็นหลักถ้าเราไม่ทาเราก็ไม่ได้เช่นอยากจะเรียนจบป ร, ริญญานั่งขอแต่ไม่ไปเรียนถ้าไม่เรียนไม่มีวันที่จะจบป ร, ริญญาได้จะจบป ร, ริญญาต้องตั้งใจเรียนอธิษฐานที่ว่าจะต้องไปเรียน อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดจากเหตุดังนั้นเราต้องอธิษฐานคือตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจเรียนหนังสือไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนเดี๋ยวเราก็จะเรียนจบแต่ถ้าเราอธิษฐานขอให้เรียนจบแต่ไปเที่ยวตามศูนย์การค้าไปตามโรงภาพยนตร์อย่างนี้อธิษฐานไปจวันตายมันก็ไม่ทาให้เรียนจบได้ ที่บางอย่างที่เราขอนี่เราจะขอแราไม่ขอมันก็มาเองของมันจะมาเวลาไม่ต้องขอมันก็มาเองได้ทีนี้เราไปขอมันก็เลยคิดว่าการขอนี้ทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันข้อที่สองหลังจากนั่งภาวนาเสร็จออกจากสมาธิเกิดมีคำพูดขึ้นในใจว่า บาปไม่มีบุญไม่มีนั่นคือเกิดจากอะไรคะทำไมคิดแบบนี้คะก็ความคิดมันคิดได้ทุกอย่างคิดอะไรก็คิดได้เราจึงต้องใช้ปัญญาหรือใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดวัดความคิดของเราเพราะความคิดของเรามันไม่มีมาตรฐานไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างถ้าเราไปเชื่อความคิดของเราเราก็จะ ลำบากได้เพราะความคิดของเราส่วนใหญ่นี้มันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเช่นบาปไม่มีบุญไม่มีนี่เป็นความคิดของคนตาบอดคนตาบอดนี่มองไม่เห็นอะไรก็บอกว่าสีเขียวไม่มีสีแดงไม่มีฮะก็คิดได้เพราะมองไม่เห็นเห็นแต่สีดำเวลาเราหลับตานี่เราจะเห็นสีอะไรเราก็เห็นแต่สีดำแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีสีเขียวสีแดงมีแต่สีดำอันนี้ก็ลักษณะของคนตาบอด ตาบอดทางทางตาในคือตาตาทิพนี่มองไม่เห็นนรกสวรรค์แต่คนที่เ้าไม่บอดทางตาทิพนี่เ็าเห็นนรกเห็นสวรรค์เพราะนารกสวรรค์มันอยู่ในโลกทิพมันไม่ได้อยู่ในโลกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเราต้องเห็นด้วยตาในตาทิพเราต้องลืมตาคนที่ลืมตาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าแต่พวกเรายังไม่ลืมตาเราเลยยังไม่รู้ว่าสวรรค์มีหรือไม่มี เราก็อาจจะคิดได้ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอันนี้มันก็เป็นความคิดของคนตาบอดเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อเราจะได้มีคนตาดีมาบอกเราว่าอะไรมีหรืออะไรไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดอะไรที่มันสวนทางกับความความคิดของคนตาดีเราจะได้รู้ว่าเรากาลังคิดผิดกำลังมีมิจฉาทิฏฐิ เเห็นเ็นนกกกจาปดอบ่วคำถามจากผู้ฝากถามมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าการที่ลูกหยิบเงินของพ่อแม่ไปโดยที่ไม่บอกกล่าวขออนุญาตไม่เป็นบาปแต่ว่าพ่อแม่หยิบเงินของลูกไปโดยไม่ได้บอกลูกพ่อและแม่จะได้รับบาปกรรมเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอให้พระอาจารย์ไขข้อสงสัยด้วยครับ เงินนี้ถ้าเป็นของใครถ้าเราไปหยิบโดยที่เขาไม่อนุญาตนี่ผิดศีลข้อสามอ่ผิดศีลข้อสองคือการลักทรัพย์อาชินาคือไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของใครก่อนที่เราจะเอามานี่เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกก็ตามถ้าเป็นเงินของลูกแล้วพ่อแม่ไปหยิบมาอันนี้ก็ถือว่าขโมยเงินของลูก ถ้าเป็นเงินของพ่อแม่แล้วลูกไปหยิบมาก็แสดงว่าขโมยเงินของพ่อแม่ยกเว้นว่าได้มีการทําความเข้าใจกันก่อนว่าเงินของพ่อแม่กับเงินของลูกนี้เป็นเจ้าของเดียวกันใครอยากจะหยิบไปใช้ก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ก็ถือว่าไม่ได้ขโมยกันต้องมีความความเห็นมีความเข้าใจตรงกันก่อนแต่ถ้ามีความเห็นว่าของใครของมันเนี่ย เงินของลูกก็เป็นของลูกเงินของพ่อของแม่ก็เป็นของพ่อของแม่ใครจะไปเอาก็ต้องไปขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนถึงจะไม่เป็นบาปคําถามจากป้าแมรี่ข้อหนึ่งภิกษุณี้เป็นพระธรรมดาที่ยังไม่เข้ากระแสพานิพานใช่ไหมคะคือภิกษุณีนี่ก็เป็นนักบวชเหมือนกับภิกษุทีนี้จะเข้าเป็นพระโสดาบานันหรือไม่ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเขา ถ้าเขาปฏิบัติเขาก็เป็นโสดาบันได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เป็นยังการเป็นพระเฉยๆนี้ไม่ได้เป็นตัวรับรองว่าได้เป็นพระอริยะเจ้าแล้วยังก็ดีสิลูกมาบวชวันนี้พอบวชปุ๊บก็กลายเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาเลยการโกนหัวกับการห่มผ้าเหลืองนี้ไม่สามารถทำให้เราเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาได้การจะเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาได้ต้องปฏิบัติศีลสมาธิ ป, ป, ปัญญา ข้อ 2. คําว่าอุบาสิกานึกว่าเหมือนแม่ชีถ้าไม่ใช่อุบาสิกาคืออะไรคะต่างจากคารวะอย่างไรคะอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่ยังคลองเรือนอยู่แต่รักษาศีลแปดถ้าผู้ชายก็เรียกว่าอุบาศกข้อ 3. พวกที่มาวัดนี่ที่แต่งขาวหมดถ้าไม่ใช่ชีซึ่งโกนหัว แตกต่างอย่างไรจากพวกใส่เสื้อขาวท่อนล่างดําคะเสื้อผ้าไม่ได้เป็นตัวแยกแยะว่าเขาเป็นอะไรต้องถามเขาว่าเขาถือศีลอะไรศีลห้าหรือศีลแปดหรือศีลสิบมีศีลสิบด้วยแม่ชีบางรูปก็ถือศีลสิบก็คือไม่แตะต้องเงินทองคําถามจากคุณสุทัศน์มีคนสนิทนับถือผีและสารเจ้าเพราะคิดว่าทําให้รวยได้ จะสอนเรื่องผลดีผลเสียอย่างไรครับมันก็ไม่มีอะไรเสียเพียงแต่มันไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าผีเจ้านี่มันไม่สามารถที่จะมาทำให้เรารวยได้เรารวยหรือจนอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราขยันทำมาหากินเก็บเงินเก็ บ, กบทองเราก็รวยได้ถ้าเราขี้เกียจไม่หาเงินหาทองไม่เก็บเงินเก็ บ, กบทองเราก็ไม่มีวันที่จะรวยได้ นั้นต่อให้ไหว้ผีไหว้เจ้าขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยหรือเราจนขึ้นมาอยู่ที่การกระทำของเราเองคำถามจากคุณสาธินีช่วงเจริญสติดิฉันจะใช้พุทโธบ้างกำหนดอิริยาบถบ้างแต่ตอนนั่งสมาธิดิฉันกำหนดพุทโธแล้วจิตจะไม่สงบพอกลับมากำหนดพองยุบจิตจะรวมได้เร็วกว่าพุทโธดิฉันไม่เข้าใจว่าพุทโธมาทั้งวัน ทำไมจิตกลับสงบเพราะพองยุบคะก็เพราะว่าเรามีสติอย่างต่อเนื่องตอนที่เราพุทโธนี่เราก็เจริญสติอยู่แต่พอเวลาเรามานั่งนี่เราถนัดยุบยุบหนอพองหนอแล้วก็ใช้ยุบหนอพองหนอแทนก็เหมือนกันก็เป็นสติเหมือนกันใช้ทดแทนกันได้คําถามจากคุณวลินทร์ทอวันนี้ดิฉันพาลูกชายเจ็ดขวบไปเรียนกอล์ฟระหว่างซ้อมลูกตี ไปถูกโดนนกดิ้นทุลนทุนลายและนิ่งน่าจะตายลูกชายรู้สึกผิดมากกลัวจะตกนรกพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะการที่สิ่งมีชีวิตตายเพราะถือว่าเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งโดยสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ไหมคะถ้าถ้าการกระทานี้ไม่ได้เกิดจากเจตนาความตั้งใจเป็นการผิดพลาดนี้ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งไม่เป็นบาป แต่ก็มีความเสียหายดังนั้นเวลาทําอะไรท่านถึงสอนให้มีสติให้ระมัดระวังว่าเราทําอะไรเราอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเมื่อทำให้เขาเดือดร้อนเขาอาจจะกลับมาทําให้เราเดือดร้อนได้เช่นพ่อแม่ของเด็กที่เขาถูกตีเขาอาจจะมาหาเรื่องมาเอาความกับเราก็ได้ถึงแม้มันจะไม่บาปแต่เราก็จะต้องไปชดใช้ความเสียหายให้กับผู้ที่เราไปทํา ความเดือดร้อนถึงแม้จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแต่เมื่อมีความเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได้คำถามจากคุณวัลย์ยาข้อที่หนึ่งหนูมีความเลวอยู่มากปัจจุบันได้พยายามปรับปรุงแก้ไขและรักษาสีลห้าโดยเฉพาะวันพระจะไม่ให้บกพร่องหนูชอบทำบุญให้ทานแต่การภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราว และมีอุปสรรคคือความไม่ดีงามของตนแต่เก่าก่อนคอยลบกวนจิตใจทำให้รู้สึกต่ำต้อยในความดีและละอายใจว่าตนผิดมากไม่มีความดีติดตัวทำให้คิดว่าภาวนาอย่างไรก็ไม่สำเร็จหนูจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์แบบนี้ได้อย่างไรคะก็ใช้พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิด ควบคุมใจด้วยพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเราจะสามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เวลาที่มีความคิดไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดไม่ดีก็จะหายไปถ้าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปข้อ 2. พอเริ่มภาวนาหลังสวดมนต์ไหว้พระเสร็จหนูจะกลัวผีมากค่ะพอหลับตาเริ่มภาวนา ความรู้สึกกลัวผีจะแทรกเข้ามาทันทีแต่สวดมนต์ปกติใจก็สบายดีไม่มีความรู้สึกกลัวหนูกราบเมตตาขออูบายกําจัดความกลัวตอนภาวนาด้วยค่ะเวลากลัวก็ให้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้ว เ, เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปคําถามจากคุณทูเชียงกลางตอนอายุ17ผมสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ 2-3 เดือน ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมพอเรานึกคิดอะไรเป็นไปอย่างที่คิดอยากได้อะไรไม่เกินสามวันเจ็วันก็มีคนหยิบยื่นให้เป็นดังใจทุกอย่างมีครั้งหนึ่งนั่งภาวนาใจนึกอยากนำกายทิพย์ออกมาพิจารณาสังขารนึกอยากไปโรงเรียนมัธยมนั่งภาวนาไปรู้ตัวอีกทีจิตก็ไปถึงโรงเรียนเห็นคนมากมายผมตะโกนคุยอยู่นาน แต่ไม่มีใครสนใจเลยไม่แน่ใจว่าถอดกายทิพไปจริงๆหรือเปล่าครับ อ, อไม่ใช่หรอกมันเป็นความฟุ้งซ่านของใจเราคิดไปเองหมดแล้วนะการที่ถามของคุณต่อตอนนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทางเฟ e b o o k อยู่ท่านผู้ที่ติดตามก็อยากจะถามปัญหาตอนนี้ก็ได้ส่งข้อความมามากมายก็จะให้ถามต่อเลย กับมัสการนะคะอาจารย์ออขอเรียนถามว่าโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเราจะเราเป็นฆร า, าวาสเราจะดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคะก็ต้องใช้สติเป็นในเบื้องต้นก่อนพยายามควบคุมใจอยู่เรื่อยๆให้มีพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาเ ก, กิดความโลภความโกรธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโลภเรื่องที่ทำให้เราโกรธถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้ไปอย่างต่อเนื่องสักพักหนึ่งความโลภก็จะหายไปความโกรธก็จะหายไปแต่มันจะหายชั่วคราวพอเราหยุดพุดโทโธเราไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโกรธใหม่มันก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าอยากที่จะกาจัดเราก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นต้องนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็ ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเราจะเราก็จะสามารถกําจัดมันได้อย่างถาวรแต่ในเบื้องต้นก็ใช้ใช้การท่องพุทโธไปถ้าพุทโธไม่ได้ก็ใช้หลักมักน้อยสันโดษพยายามยินดีกับสิ่งน้อยๆอย่าไปอยากได้มากเอาเท่าที่จําเป็นอพอมีพอใช้ก็พอแล้วใช้หลักเหตุผลว่า สิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราไม่มีมันเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาเป็นเราก็ไม่ต้องไปมีมันจากนี้เราก็พอที่จะหยุดความโลภได้ถ้าเราหยุดความโลภได้ความโกรธก็จะเบาลงไปเพราะความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธ ย่งก็ใช้ความมากน้อยสันโดษอย่าไปมากๆเอาน้อยๆยเอาพออยู่ได้พอมีพอกินหรือยินดีตามมีตามเกิดเนี่ว่าสันโดษมีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็บอกว่าพอแล้วดีแล้วแค่นี้ก็จบถ้ายังไม่ตายก็ถือว่าใช้ได้แล้วเหลืออีกสิบห้านาทีนะ ถ้าไม่หมดก็ไว้พรุ่งนี้มาถามต่อได้คำถามจาก Facebook Live นะครับจากคุณประถมพงศ์นะครับคำบริกรรมพุทโธมีความสำคัญกับการนั่งสมาธิหรือไม่ครับท่านพระอาจารย์ถ้าไม่ใช้พุทโธเอาจิตตามลมเฉยๆได้หรือไม่ได้ทั้งสองอย่างดูลมก็ได้ใช้พุทโธก็ได้แต่พุทโธนี่เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาทั้งที่เวลาที่เราไม่ได้นั่ง เวลาลที่เราทำภารกิจต่างๆเราก็ใช้พุทโธเพื่อที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปื่อยไม่ให้ไปตลอดเติดเบิ่งไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเรามีพุทโธคอยคุมไว้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เร็วถ้าเราไม่มีพุทโธเลยพอเรามานั่งนี่มันจะไม่สงบเลยดงั้นเราต้องฝึกพุทโธก่อนที่เราจะมานั่ง เวลานั่งเราจะเปลี่ยนจากพูดโทรมเป็นการดูลมหายใจเข้าออกแทนก็ได้คำถามจากคุณโสภิษนะครับตอนนี้ฝึกถือศีลแปดอยู่ที่บ้านรักษาศีลห้าก่อนแล้วหลังเที่ยงงดอาหารตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาตอนเช้ายังภาวนาไม่ได้เพราะต้องรีบไปตักบาตรคะ่ะถ้าปฏิบัติอย่างนี้พอจะไปอยู่วัดได้ไหมคะก็ลองดูสิ ถ้าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราก็จะรู้ล เ, เองว่าเรามีกําลังพอหรือไม่ถ้าเรามีเราก็ไปลองดูขอบฐานจากคุณหยาดฝนนะครับในกรณีที่ลูกชายไปบวชพระเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่พอศึกออกมาเขานําย่ามกลับมาด้วยถามเขาว่าเอามาทําไมเขาบอกว่าอยากเก็บไว้ดูเป็นความทรงจําที่ดีสําหรับเขาอยากทราบว่าเป็นการกระทําที่ผิดไหมคะ คือของที่เป็นของพระนี่เวลาเราศึกแล่านี่มันจะเป็นของสงฆ์ถ้าเราต้องการเราต้องขออนุญาตจากสงฆ์ก่อนว่าเราจะข อ, อกลับไปเป็นที่ระลึกถ้าขออนุญาตแล้วได้รับการอนุญาตก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาไปโดยถือวิสาสาว่าเป็นของเรานี่ก็ถือว่าเอาสมบัติของสงฆ์ไปคําถามจะคุณจินตนานะครับ วิธีการปรับใจเมื่อลูกดื้อรั้นไม่เชื่อฟังขึ้นเสียงเถียงตลอดอย่างไรคะการท่องพุโทโธขณะที่โกรธลูกถูกต้องไหมคะก็ช่วยได้เวลาที่เราโกรธก็พยายามท่องพุโทโธพุธโทโธเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของลูกถ้าเราไปคิดถึงลูกของลูกเราก็จะยิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วลืมเรื่องของลูกไปมันก็จะหายโกรธชั่วคราว แต่พอเรากลับมาเห็นหน้าลูกเราก็จะโกรธเองวิธีที่จะทําให้เราไม่โกรธกับเขาเลยก็ต้องยอมรับว่าเราไปสั่งไปสอนเขาไม่ได้แล้วเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากเราก็โกรธไปเสียใจแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราแพ้ก็ละปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะทําอะไรก็ห้ามไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ผลที่จะเกิดก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง เราก็ทำอย่างสุดความสามารถแล้วทุกไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องยอมหยุดความอยากของเราที่อยากจะให้เขาทำตามที่เราบอกเราก็จะหายทุกจากคุณเมนะครับกราบขออุบายสอนใจเวลาที่จิตจมอยู่กับทุกก็อย่างว่าเนี่ยทุกอย่างนี่อยู่ที่สติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วจะถอนออกจากความทุกได้ แต่ก็ถอนแบบชั่วคราวถ้าอยากจะถอนอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ละความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันคาถามจากคุณจาคะเวลาปฏิบัติธรรมในรูปแบบมักจะมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจพยายามไม่คิดแต่ก็ห้ามไม่ค่อยได้รู้สึก อ, อึดอัดไม่พอใจกับความคิด ก็เราไม่มีสติไงเราไม่มีพุโทโธมันก็เลยคิดถ้าเรามีสติมันก็จะไม่คิดนนั้นเราพยายามเจริญพุโทโธกันบ่อยๆเจริญกันให้มากๆแล้วความคิดต่างๆมันจะไม่มีไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ความคิดไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันความคิดที่ดีเราก็ปล่อยมันออกมาคำถามจากคุณชัยนะครับ เวลาเกิดอารมณ์น้อยใจเกิดโทสะจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่เป็นดังใจเราควรใช้อุบายพิจารณาอย่างไรเพื่อให้จิตวางอารมณ์นี้ได้ครับก็ต้องยอมรับว่าความอยากของเรานี้ไม่สามารถที่จะได้ทุกครั้งไปเพราะสิ่งที่เราอยากได้นี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องทาใจล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้พอไม่ได้เราก็จะไม่เสียใจ แต่ถ้าเราคิดว่าต้องได้พอไม่ได้เราก็จะเสียใจคำถามจะคุณปสิตานะครับจิตคืออะไรและจิตกับความคิดต่างกันอย่างไรจิตนี่แหละก็คือตัวที่คิดจิตใจของเราเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกเิ่นกาย แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้พบยินดีก็ทุกไปแบบหนึ่งยินร้ายก็ทุกไปแบบหนึ่งยินดีก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆพอมันจากเราไปก็ทุกยินร้ายก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมันไม่หายไปก็ทุกอีกทางที่ดีก็ควรทำใจเฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เรามารับรู้รู้เฉยๆแล้วเราจะไม่ทุกเราจะไม่อยาก เขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการมาแล้วต้องมีการไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาไปก็จะเสียใจเวลาต้องการให้สิ่งที่เราไม่ต้องการมาให้มันไปมันเรามันไม่ไปเราก็จะเสียใจยนั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเสียใจเราต้องฝึกทาใจให้เฉยๆวิธีจะทำใจให้เฉยๆก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆ ตนังสมาธิได้ก็ต้องมีสติมีพุทธโธอยู่เรื่อยๆคำถามจะคุณสารัตซึ่งเป็นพระสงฆ์นะครับจำเป็นต้องทาฌานไหมครับทำไมเราถึงไม่เรียนฌานที่เป็นของพุทธโดยตรงครับเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ตื่นฌ า, านเป็นของพราหมณ์ซึ่งไม่ได้ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระพุทธเจ้า ถามแบบไม่รู้เรื่องไม่ไปศึกษามาก็มาพูดโมเมไปหมดที่เกียรติตอบที่เกียรติมาอธิบายเพื่อเอาจะพูดหน่อยก็ได้คำว่าฌานก็คือการนั่งสมาธินี่เวลาใจสงบมันก็มีความสงบหลายระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งระดับที่สองก็เรียกว่าฌานที่สองอันนี้เป็นการนั่งสมาธิมันมีอยู่ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เป็นพุทธมีทั้งนั้นพุทธเจ้าก็สอนในนั่งสมาธิ ให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิเกือชาตที่สี่เพื่อให้ใจได้เป็นอุเบกขาแต่ศาสนาอื่นที่ไม่มีเหมือนกับพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากไม่มีใครรู้วิธียาหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นทุกขงังอันนี้เป็นความรู้พิเศษจำรู้เฉพาะของพระพุทธศาสนาเท่านั้น คำถามจากคุณนารินนะครับการละสักยะชิฐิของพระโสดาบันแตกต่างกับการปล่อยวางการมกิเลส ข, ของพระอนาคามีอย่างไรครับคือพระโสดาบันละความยึดติดในร่างกายที่เกี่ยวกับความตายความเจ็บได้คือร่างกายเจ็บจะไม่ทุกข์กับความเจ็บร่างกายตายจะไม่ทุกข์กับความตายส่วนพระอนาคามีนี่ละความความการอารมณ์ในร่างกายของผู้อื่น เช่นเห็นร่างกายของผู้อื่นน่ารักน่าดูน่าชมก็อยากจะร่วมดับนอนกับเขาแต่พระอนาคามีนี้ท่านเจริญอสุภะท่านเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอเวลาเกิดการมารมณท่านก็นึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็ทําให้ดับการมารมณไปได้แต่พระโสดาบันยังดับไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจริญอสุภะพระโสดาบัน เจริญแต่ความเจ็บความตายพิจารณาแต่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ปล่อยวางได้เลยไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายแต่ยังมีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพระโสดาบันจึงยังมีครอบครัวอยู่ถ้ายังไม่ได้บวชก็มีครอบครัวนะยังอยากจะมีครอบครัวอยู่ยังอยากจะมีแฟนแต่ถ้าเป็นพระแล้วก็ก็ไม่ไม่สึกมามีครอบครัวจึงแม้ว่ายังกาจัด ความความอยากในการอารมณ์ไม่ได้ก็จะพยายามเจริณาสุภาษต่อไปแล้วไม่นานก็จะสามารถกําจัดการอารมณ์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้คําถามจากคุณกานนิกาการฝึกภาวนาขั้นเริ่มต้นพระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนท่องกอไก่หากท่องจําได้แล้วขั้นต่อไปจะทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะขั้นต้นก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วขั้นต่อไปก็นั่งหลับตา ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้ว่างไม่ให้มีอะไรอยู่ในใจเลยมีแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาคือใจที่เป็นกลางปราศจากความรักชังโกลัวหลงพอได้ขั้นนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้มาสอนใจให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็จะอยากได้ ถ้าเห็นว่าเป็นสุขก็แสดงว่าเราหลงมองไม่เห็นความจริงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปเวลามันหมดนั่นแนะ่ะเวลาที่ทุกข์กันเวลาได้มาไม่มีใครทุกข์หรอกดีใจกันแต่เวลาหาให้ไปสิเวลาหมดไปนั่นนะถึงจะรู้ว่าทุกข์เราต้องมองข้ามข่ามขั้นมองไปอนาคตอย่าไปมองแค่ปัจจุบันว่า โอ้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขเราต้องถามว่า เ, าา ว, าเวลามันหายไปจะทำยังไงต้องคิดอย่างนี้บ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีมามีไปต้องคิดถึงเวลามันไปคิดถึงเวลามันเสื่อมแล้วเราจะได้ไม่อยากได้มันคำถามจากแม่ชีเอนะครับเ<ม>พื่อนฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิหน้าแขนขายิบยิบ หมายความว่าอย่างไรอ๋อมันเป็นอาการปรกติของร่างกายบ้างของใจที่ไปสร้างมันขึ้นมาบ้างก็สําคัญเราอย่าไปให้ความสําคัญกับมันอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับการภาวนาของเราถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เรารอบรู้ไม่ว่าจะมาทางร่างกายหรือมาทางใจ ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวไม่นานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปหมดหมดไปอย่างพอเวลาใกล้จะหมดแนละอีกสักสองข้อครับอาจารย์คําถามจากคุณมาลุนะครับเวลามีโทสะจะทําอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันอารมณ์โทสะในชีวิตประจําวันก็ต้องมีสติเนี่ยถ้าเรามีสติพอโกรธตั้บเราก็จะรู้เราโกรธพอเรารู้แล้วเราก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมัน เล่ใช้ปัญญาเปลี่ยนใจเท้อย่าไปอยากได้มันก็จะหายโกรธคำถามสุดท้ายนะครับคุณนัทวัฒน์นะครับขอคำแนะนำในการเจริญอสุภกรรมฐ า, านหน่อยครับแบบที่คาราวะา ส, สามารถปฏิบัติได้ก็เราต้องดูศพมากไปดูไปดูซากศพนี่ก็เป็นอสุภอย่างหนึ่งไปดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายาาในร่างกาย จะไปดูโดยภาพก็ได้เช่นภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาจากการผ่าศพหรือภาพที่เขาสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาแพทย์ให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีหนังมันปิดบังอยู่เราก็ต้องใช้ภาพที่เขาวาดขึ้นมาหรือถ่ายออกมาหรือไปดูของจริงก็ได้ไปขอดูที่โรงพยาบาลเขาจะมีการผ่าศพอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย เห็นสภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายแล้วพยายามเอาภาพที่เราได้เห็นนั่นมาคิดอยู่เรื่อยๆจำอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราเห็นภาพที่สวยงามแล้วเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วพยายามนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามขึ้นมาแล้วมันก็จะลบล้างความรู้สึกความกามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาได้หมดแล้วใช่ไหมหมดครับอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา